งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคําว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน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 ต้นต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เยงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายใน จ, จิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิด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 ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องตน้นพระรัมย์ในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสต า, าสอนโลกก็าตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทยัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระราที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด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 ซาเ็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสายญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้าก็าต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลย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 ความทุกข์ความลาบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านปิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอนาปานสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระไทยที่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 พอได้ยินจีตสับพิธีกุลของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยาก็ยิ่งเกิดความสุงใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่าเกรงนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำบับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขีิเลด อ, อาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาพเพียรนละพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบางธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า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 ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดําเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทยัยได้แก่มัชชิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชชิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด ท่าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาคเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิ ม, มาปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นถ้ำกลางสมุนหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหวัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิ ม, มาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเนื้อปจากปัจมัชฌิ ม, มาโดยที่ให้เป็น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 การดำเนินปฏิบัติธรตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องกิจใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเ้านั้นหนาจนมืดดำกรรมตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้ว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 มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสนับตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าสู้กันไปนี่คือหลักมัตติมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ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 นี่จะกากเมืองความจริงพญ า, ามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเส่ไหถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไป<ะ>มันไม่มีอื่นใดนี่<ะ>เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลว ง, ลงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น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 การสลัดสิิ์ที่เป็นค่าสึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขีบ่บังคับของจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเ้าปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง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 หือธรรมเสรีจิตเสริเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทาอันตรายแกจิตใจของเราได้เนะมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึงความสบายความปวดเรื่องภาระอะไรที่ว่าลำบากระบบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ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 หรือหน้าธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดถทวงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไระเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแยูท่านเดียวอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกกมีแต่ความสง่า ง, งามความสว่างสวยัย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่พลิกไปแล้วอ่ะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเพียงว่าติดปากเรพูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐเพราะหลุดพ้นจากสิ่งตำซามทั้งหลาย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 แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตน้าเสียเวลามเวลาอะไรนี่นี่คือ <c oughs> คือความหมดตังวนถึงที่อันกรเสียมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดแ่าไปโน้นไปโน้นไปข้ามโลกข้ามสาสารก้าวไปโน้นหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิพระจานร์นี่ <c oughs> ความจรงิงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็เป็นความกเสียม เป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี้หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจิตแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั้นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนั่งไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความมู้อนันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่น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 ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ทว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปื้องสิ่งที่อาภัพนั่นออกจากจิตจิตจริงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอดรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถแล้วสลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึม mm. ถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถตาว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้น วันนี้การแสดงธรรมพอเห็นสมควรวันว น, นี้รู้สึกหน่อย